ตถาคตเนี่ยได้บัญญัติเอาไว้แล้วิีิกายที่ใจเราร่างกายที่ยาประมาณวาหนึ่งที่มีพร้อมทั้งสัญญาและใจครองเนี่ยคือที่กายที่ใจเราที่ยังเป็นเป็นอยู่เนี่ยท่านทรงชี้มาที่ตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยกายกับใจเนี่ยถือว่าเป็นเป็นใบไม้กํามือเดียวเหมือนกันเป็นธรรมะกำมือเดียวที่เราควรจะต้องใส่ใจ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 ก็ยังได้พศปะพูดคุยกับจักูุแพทย์ท่านหนึ่งคือท่านเป็นคุณหมอชนานาญทางด้านเกี่ยวกับเรื่องตาถ้าเล่าให้ฟังว่าทุกวันเนี่ยเวลาท่านได้ตรวจคนไข้ที่เป็นโรคตาเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่าตัดโดยเฉพาะเรื่องต้อกระจกเนี่ย<ม>ท่านเคยนัดคนไข้มาผ่าตัดคนไข้แต่ละรายเนี่ย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 ช่วยเหลือคนไข้โดยการนัดแนะกับคนไข้เวลาคนไข้ขึ้นมาบนเตียงพร้อมที่จะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอท่านก็บอกว่าอย่าสนใจกับหมอนะว่าหมอจะกำลังทำอะไรอย่าสนใจให้คนไข้เนี่ยสนใจอยู่ที่มือของคนไข้ในขณะ ท, ที่คนไข้อยู่ในอิเลียบทนอนเนี่ยให้มาแล้วลึกรู้ลงไปที่มือของคนไขน้โดยการที่ให้คนไข้เนี่ยกามือแล้วก็แบมือ กำมือและก็แหวมือให้มีสติรู้อยู่ตรงที่มือกําลังกำกําลังแหให้รู้สึกตัวตรงนั้นอะตั้งใจรู้สึกตัวอยู่ตรงที่มือกําลังกำกําลังแบวสนใจอยู่ตรงนั้นอะอย่าสนใจว่าหมอกําลังทําอะไรจัดแจงสั่งคนไข้เรียบร้อยเสร็จแล้วคุณหมอก็ลงมือทําการผ่าตัดต่อกระจบแล้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะ การผ่าตัดนั้นเสน็จรุ่งรงไปด้วยดีคุณหมอก็ถามคนไข้ว่าปวดไหมกลัวไหมคนไข้ก็ตอบว่าเจ็บเหมือนกันแต่ไม่กลัวแปลกไหมเจ็บแต่ไม่กลัวคุณหมออ่ะทำไมไม่กลัวล่ะก็เพราะว่าคนไข้เนี่ยรู้อยู่ตรงที่มือกาลังกา ล, ลังแบแสดงว่าอาการความเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บทุกเวทนาเนี่ยเราไม่สามารถจะห้ามได้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 อันนี้เราถืว่าเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะได้เจอะเจออะไรบ้างเราก็ไม่ทราบอาจจะพบกับวิกฤตที่เราไม่อยากจะได้ผ่านพบแต่เราก็ได้ได้พบได้เจอเจอเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรขอให้เราตั้งใจเจริญสติขยันสร้างสติให้ชำนาญทำให้ชำนาญเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดไม่คาคดฝัน หรือความทุกข์อะไรก็ตามเราจะได้มีสติมีปัญญาแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อันนี้ถือว่าเป็นใบไม้กล้ือเดียวเหมือนกันคือเรื่องของสติแม้กระทั่งพระเจ้าเนี่ยก่อนที่ท่านจะเสด็จดับขันพรินิพพานเนี่ยท่านก็ยังเตือนสาวกเอาไว้ว่าสังคารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอ